สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านหลายไม่ปฏิเวธาการเข้าถึงสานาคาเมีเป็นับที่ส อ, อ, องแต่ว่าในตอนต้นของบรรดาธรรมปรึกษาครอบครัวกำลังใจของท่านว่าองค์แห่งมรสนาบันท่านมีครบแล้วอยัง นั่นก็คือการนึกถึงความตายเป็นปกติเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์หรือเปล่าวันหนึ่งเรานึกถึงความตายจิตเราหรือว่าไม่เคยคิดเลยรายการที่สองจิตของเราประกอบด้วยความโลภผิดศีลผิตธรรมาหรือเปล่าถ้าว่าผิดศีลผิตธรรมกันมาก็กคโคตรโกง ที่อย่างเนื้อชีที่ไหม่สควรอันนี้มีบ้างหมหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญหวังความขอบโวยเป็นสำขัญอันนี้มีไหมนในความจงารงพระอาการมีน้อยในการขอบโพยใจคิดไมคิดนมีบ้างไหอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมั่งมีสิสุขอันนี้มีในระบบคิดงเราไหหรือเปล่า ในบริการที่สองอารมณ์ของเราที่มีความพอใจในความมั่งคุณเห็นรูปติดรูปที่เสียงติดเสียงกระทบกลิมนติดกลิ่นกระทบรสติดรสกระทบสัมผัสติดสัมผัสอารมณ์จิตเกลือกขั้วพฤติกรรมอารมณ์ตัวในความโปรยสดสดงามในเสียงซ่อนในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสัมผัสคว่างเพศ อารมณ์อย่างนี้มีในจิตเราหรือเปล่าในบริการหนึ่งอารมณ์ี่คมีความโกรธความย่ำบาดมีความรู้สึกว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ม <laughs> ีจริยาอย่างนั้นเป็นที่ไม่สครนนั้นมีเาอย่างโน้นเป็นอาการที่ไม่สมคอันนี้มีในจิตของเราบ้างหรือเปล่า นนในดยการต่อไปเรามีความลหลงไหลฝ่ายฟันในสัพพัตตุทั้งหลายหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตยังคิดอยู่ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นพวกเราต้านเป็นพวกเราอย่างนี้เป็นต้นมีมาหรืกเล่าถ้ายังมีอยู่แสดงว่าเรายังดีไม่พอรู้ความว่าเรายังไม่มีอะไรจะดีเลย ถ้าเป็นบุรุษก็ถือว่าเป็นโมค้าบุรุษถ้าเป็นสตรีก็ถือว่าเป็นโมค้าสตรีทั้งนี้ก็ราะอะไรคำว่าโมค้าเพราเปล่าหาประโยชน์ใดๆได้เป็นคนที่หมดช่วงคำว่าหาความดีไม่ได้นั่นเองเราไม่มีความดีเพื่อขึ้นบรรจุว่าในใจ เมื course, ples, no oles, so. no. ่อาการอย่างนี้เป็นแท่ความกิเลสเป็นต้นถ้าหากว่าจิตเรายังมีสภาวะที่เกี่ยวอย่างนี้องค์สมเด็จพระญินชินาสีกล่าวว่าอารมณ์ของเรายังไม่เข้าถึงสัจขิตความดีของศาสนาแค่สักขิตมันยังไม่ถึงที่ต่อมาเราก็พิจารณาว่าความเคารพในตัวพระเจ้าความเคารพในธรรมความเคารพในตัวตน ความเคารพะะต่ว่าพุทธธรรมสงน์มีหมายความและต้องปฏิบัติตามศีลวินันถ้าธรรมะที่เป็นได้ให้ ค, ความดีให้ทรงอยู่อย่าลืมสําหรับท่านที่เป็นพระสําหรับพระ น, นี่ไม่ใช่ประนามกันนะเตื่นกันงยงอย่าท่านลองคุนว่าเป็นพระถ้าพระยังก็ไม่สา ม, มารถละสากรรมหมดจิตไม่ได้ แค่สิิข้อเราไม่สาธะจะมาสามารถจะรักษาไว้ได้ก็จะไปกล่าวอันใดถึงสิทธิ์ข้อรอยี่สิบเจ็ดาสิทสองรอยยี่สิเจ็ดจะมีความละเอียดเป็นยิ่งกว่านั้นที่กายเขาลบแต่พระพุทธธรรมสูงที่เขาเร่งต้องต้องปฏิบัติในสี่งบริสุทธิ์ทรงคุณจะทำฤทิเศษที่มีตอนหลอตัวหล่อเลี้ยงตีลสมาลีหันสี แล้วการตัดนสติสีมีสุวตาโนสติมีอุปสมานุสติเป็นอารมณ์นี่คือหมายความว่ารวมความแล้วเราก็ต้องมีมรรณาโนสติกรรมฐานเป็นเรื่งความตายเป็นอารมณ์เรื่องเรความดีก็โอสมเด็จตัวสัมมาสมเด็จเจ้ายอมรับทักดิ์ือปฏิบัติให้ได้ความดีทุกอย่าง ละความชั่วทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตีเตียงแล้วก็การกระทําอย่างนี้ชื่อว่าเราเข้าถึงประธรรมคือเคารพประธรรมแล้วก็เชืว่าเป็นการเคารพในพระสงฆ์ด้วยเพราว่าพระสงนําเอาประธรรมคำําสอนสอนโอ้สมเด็จสมัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเราในเมื่อยอมรับและเชื่อแบบนี้การละความชั่วพระพุทธความดีสั้นก็คือ การทรงศีลบริสุทธิ์จัก็เป็นความดีแล้ละความชั่วแล้วก็ทรงตัวอยู่ในด้านคําพพุทธมิทรงศีลบริสุทธิ์ที่วิชศิลานุปติกรรมฐานการเคารพแทบธรรมเรียกว่าธรรมานุปติกรรมฐานกา้เคารพการประสงค์เรียกว่าสังขารนุปติกรรมฐานการทรงศีลบริสุทธิ์สมรับษ์สวังดิ์ศีลที่วิชวศิลานุปติกรรมฐาน สิ <Es> <an> time, no no no ่จะส่งอยู thoughts, the thoughts, sour, the ่ได้เพราะนายต้องมีหัตถสี่คือไม่ตายความรักกรุนนายความสงสารถ้าเรารักเราสงสารเราก็นินทาดใครทั้ไม่ได้เราเกลียดสีใครทั้งไม่ได้เราแกล่งแกล้งใครทั้งไม่ได้เราคิดประทุษร้ายใครทั้งไม่ได้ถ้าเรารักจริงสงสารจริง ในอารมณ์องพมีหางสี่นี่แล้วมีมุสูตามีอิชานิสยาบุุณเองอุเบคาวาเฉยนี่มันก็ต้องกำเล่างงานบุคค น, นั้นถ้าเล่นงานเราเข้าเราไม่สามารถจะลยมได้ระต้องมีพมีฐางสี่เป็นอย่างเร็วที่มีเป็นจิตใจอ า, ารมณ์ที่ทำให้จำจิตอย่ลืมนะ ว่าพระนี้ถ้าเรามีทรามีหานสีส่ทรงตัวก็ถือว่าอย่างเลว ย, ยังไม่ถึความเป็นพระเป็นคุนทำขั้นเลวของพระเท่านั้นถ้ามาันทรงพรามีหานสี่แล้วก็ต้องทิ้งอัตตสีสีถ้าอัตตสก็หมายความเราไม่ดั่เอียงกพรความรักเราไม่ดเอียงกพรควา ม, มโลภเราไม่ดั่เอียงกพรความโกรธเราไม่ดั่เอียงกพรความหลง นี่เป็นอันว่าเราไม่ลำเอียงเทียงขันเราทรงใจไว้เป็นปกตินอกจากนั้นก็มีสุวตาโุสติกกรรมฐานเพื่อควบคุม ใ, ใจได้ใจฮีริความร้ายกับบาปความชั่วนะและ่คำว่าบาปกราคือความชั่วชั่วดีค่อยๆแทะคนนั้นบ้างสิคนนี้บ้างสิคนนั้นบ้างสิคนนีบ้าง พออิจารศิยาเขาบ้างเขากิดกใจความดีเขาผลเอ่นบ้างอะไรนี้เป็นต้นเป็นอันว่าจริงทั้หลายเราเนี้เราไม่ทําเราอายอายแล้วก็เกลงเพราความชั่วนี้มันจะให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นยางนั้นจริงๆผลนี้ก็เป็นทุกข์จงอย่าลืมว่านี่ผมสู้กับท่านก็พอนี่คือคนทุกคนไม่ใช่แคเพราะคนลาคนหนึ่ง และต่อไปอันดับหลังที่สุตจะมีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นั่นก็คือเราคิดจุดเสมอ<ม>ว่าการทําความดีนี้ทั้งหมดเรากําหนดจิตไว้เฉพาะโดยอย่างยิ่งคือพระนิพพานเราไม่ต้องการอะไรเลยสิ่งที่เราต้องการนั่นือพระนิพพานเราทําทุกอย่างเพื่อนิพพานนิพพานเราจะไปได้อย่างไงหนึ่งตักความโลภเป็การให้ทาน ไม่ใช่ดึงความโลภมาในการครอบครยตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดสองแตกความหลงเรื่องหน้าเขาเอ้สองสองแตกความโกรธเรื่องหน้าเขาต้องมีหันสี่สามแตกความรักเพื่อหน้าเอาสุขเ ป, ป็ญยาที่ว่ากายยกระตันปกติที่าตาแตกความหลงในการใช้ปัญญาพิจารณาไว้เสมอตามความเป็นจริงของโลก ว่โลกทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีสภาพเป็นทุกตระดับสพพยสีมันและทุกสิ่งทุกอย่างของโลกมันต้องสลายตัวเราคิดว่าโลกนี้เราจะอยู่เป็นข้าวสายเป็นปัจจัยของความทุกข์ช่างมันเราอยู่แล้วเราก็จะไปไปตท่านี้เราจะไม่ทำไม่กลับหันหน้ามามองโลกอีกทางที่เราจะไปก็ในอดีตชิติไป อย่าลืมนะว่าคนที่โมุ่งผลิตภัณฑ์ส้างใจผริตัณฑ์ไม่ต้องใสร้างใจไปอบายภูมิเขาคลายความโลภในการให้ทานไม่ใช่ก่อโกวยคลายความรักในการเที่จะนายเห็นสภาวะของคนและสัตว์เต็มในความสุขสงบเกลือสุขอนญจยาคลายความโกรธในการตัดอารมณ์อิจฉาสยามมีความไม่แตกตัวาสสาร มัใช่เห็นคนอื่นใชไหมคนนั้นเลวคนนี้เลวแต่เราถ้าเราคิดอย่างนันงแล้ว เ, เราเลวกว่าเขามากนะเพราะนั่นมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเอาจิตเข้าไปยุ่งแล้วมวิกิเธิ์มันล้นจากใจมันถึงปากถ้าแต่ความหลงไปโดยการเราก็แต่ความหลงไป้วยการใช้ปัญญาหาความเกี่ยวนี่คนที่เขาจะไปนี่ไปเขาไปเป็นอย่างนี้ เรามีความโลภเรามีความหลงยโสเสียงอินเทอนสัมผัสเรามีความานนกดมมความยึดบัตรมีอารมณ์อิจฉาสัญญาขงคเนเองชอบเป็นทาชอมว่มารายยอดเกียจดีคเนเองนี่มันเป็นทางของนรกไ ม, นไม่ใช่ทางของสวรรค์และไม่ใช่ทางเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสที่จะเป็นมนุษนนย์จะอินไหลแตงกลับ โดยก็อย่างยิ่งแ้าิดถ้าร่างก า, า, งายาาขาขาขาายองฆ่ากาสาวภัทรที่รไปใหญ่ต้องจมพลังยยอยู่ในวีกีมหาหนรกสิ่งการนั้นเป็นอนันว่าอิจฉากับเราก็ยังไม่มีโอกาสใช้ครอบครองสมเด็จสัพพิิตธรร ม, มานุรมศาสตร์สนดาสัามมาสัพพิชาทั้งนี้เพราะอะไรก็ยังเป็นเพริดจุดบ้างไปสุรกายบ้าไปสติฉันบ้าไปสัตว์รนรกบ้าง ถ้าการอย่างนี้มีกับเราที่เราขาดผลจะก้องเป็นโมฆะปุรหสมุชยัยเราเกิดมาแทนที่จะตรงความดีได้กลายเป็นคนพวกเ่าไร้ไประโยชน์มีแต่โทษยอย่างเดียวไี่ทบทุนอารมณ์จิตเพื่อตนไว้จิตทีาเราทรงได้กรับความดีที่ไา้มาแล้วนี้เลิกเชื่ความตายไว้สเสมอไม่ประมาทในชีวิตเลิกเชื่อคนดูพุทธธรรมประสงค์ ไร้ัวศมเสียหน้บริสุทธิ์มีความมีหัตถ์สีไปจาใจมีเหตุและอุปสรรมีผลิพานเป็นอารมณ์จิตพอใจในการให้ทานการโตมะเพราะเรารักคนและสัตว์เสมอกัารสงสารคนและสัตว์เสมอกันปราศรายจะเสื่อูนให้มีความสุขเมื่อองค์จิตอย่างนี้เรามีแล้วทีเดียว นี่เราเ็จะไปสู่กาิ้งฌานการเข้าไปทำฌานและจิตตรงตัวนี่ยังไม่ใช่ออของจริงแต่เราควรจะฝึกเิมสมาธิเรื่องการที่เราจะรู้ตัวตางของจิตแต่เมื่อสถานใดเรามีจิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่ประมาทชีวิตเราจะต้องตายเม่เครือความตายขึ้นมาอะไรก็คิดไว้ว่าเกิดมามามือนพุ่ เราจะยอมยับกั้งสติผลพระธรรมตรายมีสิ้นเป็นตนแล้วก็มีอุปสมารุปสิกมาฐานเป็นสุดท้ายบางไม่ได่านเป็นอายลมฉะนจิตตัวเองนะต่อรมอย yeast, thick, thin, thin, thin thin. Man, ่างนี้ก็เรียกว่าโศดาสิธาคามีถ้าระดับพระกษิธาคามมีนี้ความโลภแม้จะอม่เหลือความรักในระหว่างเพศเสือบไม่เหลือความโกรธความย่ำบหว้เสือบไม่เหลือ คว า, ามหลงการต่างมันก็เกือบไม่เหลืยเหมือนกันมันบางลงไปมากเมื่อจิตบางขนาดนี้แล้วเราก็าำติดเจ้าผสมความเป็นธาตุนาคามีที่สมัติานาคามีมีสองหยกสองนั่นคือการตัดกา ร, รมไปสังขารเพื่อนั่งจิตที่เจริญกายปัจจามาุิที่จทเจริญเห็นว่ากายของเรา เป็นสภาพเป็นขอสโครกโสโกเป็นชิ้นเป็่อนจปนตอนไม่ใช่เป็นช้างคิอร่างกายเมียกลางสามที่สองะแบ่งเป็นสามที่สองส่วนแต่ละส่วนก็รุนแล้ะศึกว่าเป็นขอสุครกถ้าเป็นแล้วก็แป็นอัี้จังหาความเที่ยงเป็นได้เป็นทุกขังมีสุดแล้ววิทย์ถือเกาะทั้งมันแล้วก็มีความทุกข์อนัตตามีการสลายตัวไปในสุด เราเห็นสภาพ ค, ความจริงของขันธ์ฆามาเต็มด้วยความโศกเมื่อทา่านจิตเกิดความเบืเ่อหน่า ย, ยนน ท, ายยาทยาาี่เรียกว่านิที่ทายาทนี่สำหรับสังโยติสองของพระอนาคามีหรือว่าจัดเป็นสังโยติห้าในบรรดาสังโยติทั้งหมดนั่นก็คือพยายามตัดปฏิภาคร่างกระทบกระทัะทง่งจิตเมื่อมีอารมณ์กระทบแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้น ขณ า, ามีตัดตัวนี้ตัดอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์เพื่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอย่างคนเราพูดคำหยาบแสดงการหยาบแสดงการขัดใจใช้วิธีขัดเกลืของบุคคูลธรรมดาเมื่อขณะาามีตัดตรงนี้ออกเสียเพรียมมีอารมณ์ิดคิดเสมอว่าธรรมดากับสัตว์โลกเป็นอย่างนั้น ขึ้นคิดว่าสัตว์ของโลกเอะไรจริงจังไม่ได้ทล้งโลกทั้งโลกมันแปอนไจังหาความเทีย่ยงไม่ได้ในเมื่อสะพานวัดของโลกมันไม่เทีย่ยงวาจาของคนมันก็ไม่เทีย่ยงจริยาของคนที่แสดงออกกับเรามันก็ไม่เทีย่ยงผู้คนคนเดียวกันวันนี้แสดงความรนะักวรุนี้อาจจะแสดงการเป็นศัตรู เพื่อเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้บางคนวันนี้ เ, นนเป็นศันนรนตรูตัวร้ายใหญ่ของเราแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นมิมรตรีดีก็ได้เป็นอัลว่าการแสดงความเป็นมิตรก็ดีการแสดงเป็นศัตรูก็ดีเราย่อมไม่ถือเอาเป็นสาระสําคัญทื่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างลนโลกไม่อะไรตรงตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกทําใจสบายมีความรู้สึกอยู่เสมอวา่า ชาวโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความโงกรธถือว่าจิตใจของชาวโลกุกคนของโลกโดยจิตใจก็เป็นของโลกโวยที่เข้ามาถึงธรรมย่อมมีอาการแสดงกายขึ้นลงอยู่ตามปกติหาความเที่ยงไม่ได้ฉะนั้นจริยานใดที่เขาทําให้เป็นที่แักเกอนใจเราโดยปกติเรามักจะโกรธในสิ่งที่เขาทำเป็นที่ไม่ชอบใจเรา ให้เราแทนที่เหยีดแล้วก็โยนความโกรธทิ้งไปเพราะว่าถ้าเราเหยกยดหลอดสร้าจันเราพาทิศในเวลาจะรับไฟในตอนเยินสร้าทิศรับไปแสงสว่างหมดไปสร้างความลําบากให้กับใจเราเราต้องหาแสงสว่างอื่นมาแทนที่เวลาตอนเช้าพราทิศแปลกดีเราบดีใจ ถ้ า, ศ า, ศาพระทิศจะรับไปเราก็โกรธพระทิศอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะยังไงไงตอนเช้าพระทิศก็ปรากฏตอนเนย็นพระทิศก็รับหายไปมันไป็ของธรรมดาอย่างนี้เราจะไปนั่งโกรธดวงิาที่ย์ที่กำลังจะรับไปจะดีใจเมื่อดวงทิปรากฏมันก็ไม่ใช่ของที่ทํอาอย่างนั้นเพราะธรรมดามันเป็นอย่างนั้น นี่กฎธรรมดาที่ดวงพระอาทิตย์รับไปถ้าเราไม่พอใจพระาทิตย์ตกส่งปรากฏขึ้นเราดีใจเป็นกิตที่ไม่ควรทำเช่นใดคืออารมณ์ ท, ที่ไม่ควรคิดเช่นใดจริยาของบุคคนหลากหลายวาจาเขบาบอกคลาหลาที่สร้างความขัดเกื่อนให้เกิดใจเราเมื่อที่ไม่พอใจเราแล้วเราขัดเกือนเขาไม่ควรจะมีอก า, ารอย่างนี้ปรากฏจริงกันทั้งนี้ลลก็อไรตอว่าคนในโลกยังเป็น ผู้ทิ่เหลดตันหาอ้วกอาฆาตกัน์แผลกรรมที่เขาสร้างความเป็นที่ไม่พอใจให้เกิดกับเราเขาลงคิดถึงว่าทั้งตัวเราก็าแล้วกันเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะสร้างความชั่วอยากจะทำชั่วอยากจะพูดชั่วอยากจะคิดชั่วใงความจริงตามความรู้สึกของเราไม่มีอย่างนี้ เพะนั่นเมื่อก็อะไรก็ถ้าเราทําความชั่วไปที่ไม่พอยใจผู้คนอื่นเราก็เป็นศัตรูกับเขาเขากับเราก็มีไม่มีความเป็นมิตรกันคนเมื่อไม่มีความเป็นมิตรกันมันเป็นศัตรูกันก็ไม่ได้ความเดชอนฉะนั้นคนทุกคนไม่ต้องการศัตรูแต่ว่าที่ทําไปอย่างไร้นก็เป็นรู้เท่าไม่ถึงกัน ก็อะไรเขาว่ากิเลสความตศร้าหมองของจิตคือความโง่ของจิตก็กิเลสกวดบังความเป็นหลายตัญหาเป็นบรรดาลให้เกิดความพยานอยากสร้างความชั่วกลัวกลัวอาฟาดอันมันติดฝังความรู้สึกความรู้สึกดีที่รู้สึกที่รู้สึกชอบเสียเห็นว่าการทําความชั่วก็คงดี อากตุนัตจำว่าจิตมันสร้างมันมีคำอย่างนี้เพราะเจ้าอำนาจกิเลสปิตใจเชื่อสร้างความชั่วใเกิดขึ้นนี่เป็นอันว่าคนทั้งหลายก็มีกิเลสตัณหาความทันและกตุนแลรคำปิดบังใจที่ทําความชั่วคนประเภทนี้เป็นคนที่หนาท้องสารเพราะเขามีความทุกข์ในชาตินี้และมีความทุกข์ในสัมภาระพบ ฉะนั้นตัวองค์ต้นเด็กรอนแรกตกให้แค่ความรู้สึกตอนนี้ด้วยอำนาจโทมวิฮันสีคิดมีปกติคิดด้ว่อยเสมอว่าเราจะมีความรักความเมตตาบุคุเหลายท่ากตทั้งหมดถ้าเขาทำความผิดเราจะให้อภัยจะไม่มีความรู้สึกใดในการเป็นศัตรูกับเขารายการที่สองแทนยี่ตู้ตอบด้วครจะทาที่รุนแรง กลัให้อภัยคือมีความสงสารกลับชนาจะประคับประกองเขาให้มีความสุขเราเราจะไม่ชารุอเสียเขาเมื่อเขาได้ดีเราจะคอยดีๆด้วยถ้าเกิดใดเป็นกฎของกรรมยับยัางไม่ไหวท่านเราจะวางเฉยเพราะว่าเป็นเหตุสุกที่ใส่ที่เราจะช่วยได้ที่อย่างนี้ที่อย่างนี้ถ้าอรมณ์ของมีหางสี่ป็นที่ไม่ถูกใจเรา ก็ปัญอารมณ์คิดคิดอาจจะได้บางทีก so, ็บางคนชอบต้องการอารมณ์ปากถ้าต้องการอารมณ์ปากพระพุทธเจ้าก็มีกรรมฐานให้ทํำก็คือนั่นใช้กสีสันสีรายการและสียสีนแดงกสีสินเหลืองสีสันที่เขียวกีสินที่ขาวอย่างใดอย่างหนึ่งสรอารมณ์ให้เป็นสมาธิการสิน่าสีรายการนี้สามารถจะกดอารมณ์ที่เป็น โสดะพยาบาทคือความโกรธความพยาบาิกองล่างทองฐานที่น่าไปแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปทำคําสั่งสอนโอ้สมเด็จตจองไกรพิธกาญจกที่ได้แต่มาพิจารณาว่าเราก็ดีเขาก็ดีจะมานั่งโสดกั็ประโยชน์อะไรเพราะถ้าภาพร่างกายของเราของเขามันก็ไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของ มันเป็นของกิเละสันเขาฟาทานกฎสุลแลกรรมที่เราโกรธที่เราโกรธทันห้าของเขาเขาโกรธเราก็แสดงการตัวเราก็แสดงตัวกายทันห้าของเราที่ เ, าา ข, เาขามุม่งบรรทุศรายไม่มุม่งบรรทุศรายทันหา้าไม่ใช่มุม่งบรรทุศรายเราเป็จิตฉะนั้นเราเชื่อวงค์มส ม, มุทตุธรรมามมิตรรายการมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา กขาเยีนดากายขยยว่ากายเขาจะคิดิัวตนจะร้ายกายก็เป็นเรื่องของเขาเราปล่อยไปทำใจของเราให้เปยนสุขอรบรรดาพุทธบริจัตติความจริงวิธีนี้เราแนะนํากันมากๆสาหรับําราก็มีสำหรัการมาพูดฟังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นัวข้อต่อนั้นการจะเข้าถึงอารมณ์นี้ได้เพียงใดก็อยู่ที่การสุกใจอรันดาชพุทธบริจัตติ โดยเฉพาะอย่างยิยง่งการฝึกแบบนี้ให้ระงับการกุ้งแงงเข้จิตไว้ให้มากให้อกิดสงอนาปานุสติกรรมฐ า, านเป็นอารมณ์ระดับบรรดาท่านพุทบริ ษ, ษัทต่อที่มีไฟพอทุกท่านสร้างกายให้ตรงดลรงจิตให้มัน่นกับหลดรูล้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจร า, ารณาธรรมะที่ยาใช้ดีกว่าจะดิยนสัญญานบอกกฎเวลา